อย่างหนึ่งของคนเรานะก็คืออยากได้คนที่รู้ใจเพื่อนที่รู้ใจคนรักที่รู้ใจคู่ครองที่รู้ใจรวมไปถึงลูกน้องที่รู้ใจแม้แต่จะเลี้ยงสัตว์นะ ก็ยังอยากจะได้สัตว์เลี้ยงที่รู้ใจทำไมเราปรารถนาอย่างนัน้นก็เพราะว่าเชื่อว่าถ้าใครๆ ร, รู้ใจเรานะเราก็จะมีความสุขชีวิตก็จะดำเนินราบรื่นแต่ที่จริงแล้วนะเบื้องหลังสาเหตุหลักก็เพราะว่า อยากจะให้คนเขาตามใจเราเมื่อรู้ใจแล้วก็จะได้ตามใจเราซึ่งที่จริงคือตามใจกิเลสนั่นเองเนี่ยคนเราก็มีความทุกข์ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้พบกับคนที่รู้ใจเราเท่าไหร่ความทุกข์ของผู้คนจำนวนมาก เกิดจากการที่หาคนรู้ใจไม่ได้แล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมากับเพื่อนก็ดีกับคู่รักก็ดีกับลูกน้องก็ดีเพียงเพราะว่าเขาทำไม่ถูกใจเราที่ทาไม่ถูกใจก็เพราะเขาไม่รู้ใจ กนั้นที่เขาอาจจะเป็นคนดีแต่พอไม่รู้ใจไม่ถูกใจเราก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราเรียกร้องให้ใครต่อใครมารู้ใจเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่ก็คือรู้ใจตัวเองรู้ เรียกร้องให้คนอื่นรู้ใจแต่ว่าตัวเองกับไม่รู้ใจของเราเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องหน้าหัวนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทั้งเรียกร้องทักคาดหวังให้ใครต่อใครมารู้ใจเราแต่เราโดยที่เราไม่ได้ตระหนักว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ใจเราหรอกแต่เป็นเพราะเราต่างหากที่ไม่รู้ใจตัวเองขัดแย้งกับเพื่อนขัดแย้งกับแฟนขัดแย้งกับคนรักเพราะเขาไม่รู้ใจเราแต่ว่านั่นนะไม่ใช่ปัญหาจริงๆปัญหาจริงๆรงคือเราไม่รู้ใจตัวเอง มันยากนะที่จะให้คนอื่นรู้ใจเราในเมื่อเราเองก็ยังไม่รู้ใจตัวเองและลองดูซิว่าอะไรที่ยากกว่ากันนะระหว่างแสวงหาคนที่รู้ใจเราจริงๆกับเราหันกลับมารู้ใจตัวเองบางทีแสวงหา จนตายเดินทางไปจนสุดขอบฟ้าก็อาจจะไม่พบใครเลยที่รู้ใจเราแต่ว่าการที่เราจะรู้ใจตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ทำได้ง่ายกว่าด้วยวยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้ารู้ใจตัวเองแล้วนะ ความทุ่มมันก็จะเบาบางไปเยอะแต่ว่าคนก็มักจะมองข้ามสิ่งนี้ไปรู้ใจตัวเองนี่ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าแต่ว่าคนเรากลับไม่สนใจ เราไม่ค่อยเรียกร้องตัวเองเท่าไหร่แต่เราอยากจะเรียกร้องคนอื่นก็เลยวนเวียนอยู่ในความทุกข์เพราะว่าสาเหตุล่างง่าของความทุกข์มันไม่ได้จัดการก็คือการที่ถูกกิเลสครอบงำหรือว่าใจเราเรเองนี่ที่เปิดให้ความทุกข์มาครอบงำ ไม่มีใครทําให้เราทุกข์ใจได้นะนอกจากตัวเราเองคนอื่นเขาอย่างมากเขาก็โกงเงินเราทำลายทรัพย์สินของเราหรือยังมากก็ทำลายร่างกายแต่ไม่มีใครที่จะทำลายจิตใจเราได้นอกจากตัวเราเอง คนเราทุกเนี่ยก็เพราะใจของเราเองนี่แหละที่วางไว้ไม่ถูกต้องพูดง่ายๆคือว่าเราทุกเพความคิดนะคนเราทุกเพความคิดมากกว่าอย่างอื่นรวมความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมก็สะดวกสบายแต่ทำไมยังถึงยังทุ ก, กันอยู่ทุกวันนี้โลกนี้ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ แต่ทำไมความทุกข์ของผู้คนไม่ได้ลดลงเลยอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำถ้าดูจากสติตคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทคนที่ติดยาพวกนี้นี่ก็เป็นอาการของความทุกข์ทางใจซึ่งเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับชีวิตที่สะดวกสบายนั้นร่างกาย มีความสะดวกสบายก็ไม่ได้ทาให้ความทุกข์ลดลงเพราะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ทุกที่ใจทุกที่ความคิดความคิดที่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักควบคุมหรือแม้แต่จะรู้ว่าคิดอะไรคนเราถ้าหากว่ารู้ใจตัวเอง ก็จะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดก็จะไม่ไปเอาความทุกข์มาครอบงาจิตใจได้ได้เลยเราทุกข์เพราะความคิดยังไงบ้างนะเช่นทุกข์เพราะอะไรในอดีตหรือกังวลกับอนาคตคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ลองสังเกตดูความทุกคนรส่วนใหญ่ก็เพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตเช่นอะไรเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าโกรธแค้นกับเรื่องราวในอดีตหรือมิฉะนั้นก็รู้สึกผิด กับความพังเผอพังพลากในอดีตเสียใจอาลัยโกรธแค้นเจ็บปวดรู้สึกผิดทั้งหมดนี้มันก็แลวนละแต่ผูกพันกับเรื่องราวในอดีตทั้งนั้น ในขณะที่ยังมีความกังวลเวลานึ่ถึงอนาคตถ้าเราปล่อยใจให้หลุดเข้าไปในอดีตรหรือเผลอก็ไปในอนาคตก็ทำให้ทุกข์ได้นอกจากเผลอคิด เผลอจมไปในอดีตรหรือว่าอนาคตแล้วนะก็ยังทุกกับความคิดปรุงแต่งคิดเอาเองเป็นอะไรด้วยตาแล้วไม่ได้เห็นเฉย แต่คิดเราเองและไอที่เราคิดเราเองนั่นแหละที่มันมาทำร้ายจิตใจเราอาจจะเห็นแฟนของเราอยู่กับเพศตรงข้ามในร้านอาหารในศูนย์การค้าก็คิดเราเองว่าเขากำลังนอกใจ ทักทายเขาเขาไม่ทักตอบไม่พูดตอบก็คิดว่าเขาไม่พอใจเราเสร็จแล้วก็เลยทะเลาะเบาแวงกันอันนี้เราคิดเอาเอง บางทีได้ยินเพื่อนพูดข้อความบางอย่างก็กระทบใจก็คิดว่าเขาเจตนาประชดประชันหรือว่าด่าว่าเราทั้งที่เขาไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้นึกถึงเราไม่ได้พูดถึงเราเลยแต่เราคิดเอาเอง ถ้าคนเรานี่ทะเลาะหมาแววงกันก็เพราะคิดเอาเองคิดเป็นตุเป็นตะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานคู่ครองหรือว่าเจ้านายลูกน้องนะก็คิดเอาทั้งนั้น แล้วเราก็ทำร้ายกันเพราะว่าการไปหลงเชื่อความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อสักปีสองปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งผู้ชายกลุ่มหนึ่งก็ไปนั่งกินอาหารอยู่นอกร้าน แล้วก็สั่งอาหารระหว่างที่กินอาหารอยู่ก็เธอไม่มีนกบินผ่านและนมก็เลยขี่ใส่มาลงแนะอยู่บนหัวของผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้น มันก็เผออเอกับที่ภรรยาเจ้าของร้านเดินผ่านไปพอดีเดินผ่านผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็เลยเข้าใจว่าถูกถมน้ำลายลถใส่หัวก็โมโหทะเลา ะ, ะ, ละกับเมียเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เลยร่วมวงด้วย มีมีด ม, มีปังตอขู่ผู้ชายกลุ่มนั้นก็เลยล่าถอยไปแต่สักพักก็มาใหม่คราวนี้มีปืนมาด้วยแล้วก็เลยปะทา่ากันยิงกันบรากว่าเมียเจ้าของร้านก็ตายผู้ชายกลุ่มนั้นก็ถูกจับ เข้าคุกไปเรื่องของเรื่อมก็มีแค่เหมือนกับ น, น้ำผึ้งหยดเดียวแค่นกมันขี้ใสเนแทนที่จะสอบถามความจริงก็ไปคิดเอาแล้วว่าถูกถมน้ำลายรถใสหัวก็เลยทะเลาะ ก, กันจนฆ่ากันตายเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่ ไม่ได้ทำลายกันขนาดนี้แต่ว่าก็ทำลายกันทะเลาะบบาแวงกันและตัวเองก็ทุกข์ด้วยเพราะการคิดเอาเองหรือไม่ก็คิดในแง่ลบแง่ร้ายนะคนเราก็มีทั้ง ความดีแล้วก็มีจุดอ่อนมีข้อเสียแต่เวลาเรามองเห็นแต่ด้านลบด้านร้ายของเขามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเกลียดเกิดความไม่พอใจยิ่งทำงานด้วยกันยิ่งอยู่ใกล้กัน แ, แทนที่จะเห็นข้อดีของกันกลับเห็นแต่ข้อเสีย ทั้งๆ ท, ที่ข้อดีเขาก็มีมากแล้วคนเรานี่ก็แปลกนะชอบจดจำข้อเสียเขามากกว่าข้อดีลูกบางคนก็โกรธเกลียดพ่อแม่หรือน้อยใจพ่อแม่ที่ถูกด่าว่าหรือบางทีถูกทุบตีถูกตบตีก็ จดจำเวลานึกถึงพ่อนึกถึงแม่ก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นหรือบางทีก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าทำร้ายกันเพียงแต่ว่ า, าพ่อแม่ไม่ตามใจอาจจะละเลยไม่สนใจเราตอนที่เราเป็นเด็กน้อยถูกปล่อยให้ทิ้งอยู่คนเดียวในบ้านก็เสียใจน้อยใจ แล้วก็จำแต่เหตุการณ์นั้นแล้วก็นึกเอาว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักทั้งทั้งที่พ่อแม่เขาก็อาจจะดีกับเราเป็นส่วนใหญ่เขามีเมตตากรุณาเขามีความ เ, าเสียสละให้กับเราตั้งแต่เล็กจนโตข้อดีมีเยอะมากแต่เราก็เจาะจงที่จะจำ แต่ข้อเสียหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดน้อยใจหวาดกลัวหรือว่าเจ็บใจ เ, เสร็จแล้วมก็ทำลายตัวเราเองใครก็ตามที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าเป็นคนขาดความรักแล้วก็เลยไปแสวงหาความรักจากคนอื่น ยิ่งเรียกร้องยิ่งโหยหาก็ยิ่งไม่ได้ก็กลับทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่เราไปเจาะจงจดจำแต่ภาพหรือเหตุการณ์ที่มันเป็นลบซึ่งอาจจะเป็นแค่หนึ่งในพันหรือ 1, 000, หนึ่งในหม่นนะความดีของพ่อแม่มีสัก9ก้าเก้อยเก้สิก้มีส่วนเสียสัก1นึหนึ่งในพันแต่เราก็จดจำแต่ส่วน1นึงในพันนั้นแหละ กับเพื่อนก็เหมือนกันกับคู่ครองก็เหมือนกันก็าจะดีกับเราเสีก99ครั้งแต่ว่าอาจจะให้สายอารมณ์ทําพลังพ้งพลาดสักหนึ่งครั้งก็จำได้หนึ่งครั้งนั่นแหละอันนี้เรามองแต่แง่ลบหรือมองแต่ในแง่ร้ายก็ทำให้เรามีความทุกข์ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความทุกข์เพราะความคิดของเราทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พอปรุงแต่งหรือว่าคิดไปดึงอดีตอนาคตหรือคิดเอาเองแล้วมันก็ไปยึดเอาไว้ไปแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของคนของคนอื่นเท่านั้นนะเรื่องของตัวเราเองบางทีเราทำความดีเอาไว้ต้องเยอะแต่เราทำผิดทำพลาดไปครั้งสองครั้งเราก็เอาแต่จดจำส่วนที่ไม่ดีของเราเอาไว้บางคนดูแลแม่ที่เจ็บป่วยดูแลอย่างดีตั้งแต่ล้มป่วย บางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ว่ามันจะมีอาจจะมีบางครั้งที่หงุดหงิดเครีย ด, ยดก็ว่าใส่แม่คนไข้าบางทีก็ก็เหมือนเด็กๆกันนะคนดูแลก็เครีย ด, ยดก็ว่าใส่ ทำไมแม่ไม่นอนทำไมแม่ไม่กินบางทีก็อาจจะตะวาดด้วยความเครียดเสร็จแล้วก็พอแม่ตายก็มาเสียใจให้จดจำแต่เหตุการณ์นั้นนะให้ส่วนดีๆที่ตัวเองทำเอาไว้ก็มองไม่เห็นมองข้ามไปจดจำแต่ส่วนที่ไม่ดีที่เราทำไว้กับแม่หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรหนักคนนั้นเพียงแต่ว่า ดูแลแม่มาตลอดพอถึงว่าสุดท้าย <pal pal> เหนื่อยอเลยไปนอนไปนอนที่บ้านไม่ได้ดู <c oughs> ไม่ได้ทันดูใจแม่แม่เกิดหมดลมตอนที่เราไปนอนพักผ่อนก็เสียใจว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูใจแม่ตอนนาทีสุดท้ายก็แต่เสียใจรู้สึกผิดกับเหตุการณ์นี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการมองในแง่ลบแง่ร้ายทำนองที่ไอ้แง่ดีที่มีก็เยอะแต่ไม่ยอมไม่ยอมมองแล้วก็เลือกจดจำแต้ส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ยึดเอาไว้มันก็ไม่ใช่เกิดอะไรกับใครที่ไหนก็เกิดจากใจของเรานี่แหละใจที่ปรุงแต่งแล้วก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง แ, แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นบาดแผลเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ใจตัวเองมันก็จะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เมื่อรู้แล้วก็วางได้แต่ถ้าไม่รู้มันก็เผลอเผลอ ปรุงต่อไปแล้วก็แบกเอาไว้เหมือนกับว่าไปกไปกอดกองไฟเอาไว้ไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความเกลียดซึ่งอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งของเราเองความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดเหล่านี้มันก็เป็นไฟที่เผาลุนจิตใจ แล้วเราก็ไม่อยอมปล่อยเพราะเราลืมตัวอารมณ์เหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วก็เผลอเข้าไปในอารมณ์นั้นก็ลืมตัวแล้วมันก็เลยเผาเผาใจของเราแต่ถ้าเรารู้ใจมีสติเห็นอารมณ์เหล่านี้ว่าเกิดขึ้นในใจ ก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นที่เผลอคิดไปเรื่องราวในอดีตหรืออนาคตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกำลังทาอะไรอยู่ก็กลับมาอยู่กับสิ่งนั้นก็ไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์อดีตหรืออนาคตก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน หรือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบมองคนในแง่ร้ายในแง่ลบเออมันก็สอดสายหาเห็นด้านบวกของเขาบ้างหัดเตือนใจให้มองในแง่บวกบ้างนะแง่บวกของคนอื่นแล้วกแ็แง่บวกของเราเองด้วยการมองในแง่บวกวนี่เราก็เรียกว่าโยนิสงมนาสิกการนะ ภาษาพระรีวยนิสโสมนสิการคือการคิดคิดเป็นคิดถูกคิดถูกวิธีซึ่งมันต้องมีสติ mm hmm. ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปตามความเคยชินคือเผลอปรุงแต่งหรือคิดในแง่ลายถ้าเรามีสติมันก็เตือนใจเราอย่าอย่าอย่าไปมองเข้าในแง่นั้นมันจะช่วยเตือนใจ อย่าไปมองเขาในแง่นะั้นต้องมองในแง่อื่นดูบ้างหรือเวลาจะจะสรุปคิดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ก็เตือนใจว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนะต้องถามเขาก่อนว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าคนเราพอด่วนสรุปละมันก็เชื่อว่าเป็นความจริง เนื่องากคนไทยก็ไม่ค่อยชอบถามเท่าไหร่พอไม่ถามก็เลยไม่รู้ความจริงบางทีถ้าถามก็กจะรู้ว่าอ๋อที่เขาไม่ทักเราเพราะเขามีเขากําลังคิดกําลังกุ้มใจเรื่องลูกอยู่กําลังกุ้มใจเรื่องพ่อเรื่องแม่อยู่เลยไม่ได้สังเกตว่ามีเพื่อนมาทักนะถ้าถามแฟนว่าเมื่อกลางวันนี้ไปที่ไหนมา เรียกเรีงเยงเคียงถามก็จะได้คาตอบว่าออกมีธุระนัดเจอญาติไม่ใช่ใครที่ไหนเขาไม่ได้นอกใจอันนี้มันเริ่มต้นจากการที่เรามีสเตอรู้ทันรู้ทันความคิดแล้วก็หัดทักท้วงความคิดคนเ่านี่ถ้าไม่รู้ใจตัวเองนะมันก็ทักท้วงลำบากนะมันก็แล่นไปใน ความคิดตามนิสัยความเคยชินเดิมแล้วก็หลงเชื่อกลายเป็นท่าของความคิดนั้นความคิดมันก็เลยกลายเป็นนายเราเมื่อไม่รู้ใจตัวเองนะกิเลกก็ครอบงาเมื่อไม่รู้ใจตัวเองความคิดมันก็เป็นนายบังคับบัญชาเรา เสร็จแล้วเราก็ทุกเองเราคงสังเกตดูนะระหว่งที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะเห็นหรือเปล่าว่าใจของเรานี่มันมันว่องไวปราดเปรียวแค่ไหนยากที่จะรู้ทัน แล้วก็พะไม่รู้ทันนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์หลายคนอาจจะคิดถึงคิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปทำงานหลายคนอาจจะเกิดความคิดมากมายที่ทำให้อยู่ไม่สุข นั้งทั้งที่สภาพในวัดก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่บางคนก็รู้สึกกระสับกระส่ายที่กระสับกระส่ายเพราะอะไรก็เพราะความคิดนั่นแหละเดินไปเดินมามันก็ไม่ได้เหนื่อยยากอะไรยกมือสร้างจังหวดไปมามันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่ที่ตัวที่ทุกเนี่ยตัวที่ทำให้ทุกข์ก็คือใจหรือความคิด อาจจะสงสัยขึ้นมาว่ากูมาทําอะไรอยู่นี่อาจจะนึกห่วงบ้านนึกห่วงงานความคิดมันก็หาทางหลอกนะหลอกให้เราหาเหตุกลับบ้านหลอกให้เราหาเหตุที่จะไม่ต้องปฏิบัติเพราะว่าไม่เคยชินกับการหยุดแบบนี้ สิ่งที่ยากที่สุดของคนเราคือการที่เราอยู่กับตัวเองการมาปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับการมาบังคับให้เราอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าจะอยู่กันหลายคนแต่ว่าก็เหมือนกับอยู่คนเดียวเพราะว่าจะพูดจะคุยกับใครก็ไม่สะดวกจะ ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวห้างก็ทําไม่ได้ใครมีครูบาอาจารย์คุมอยู่<น>ก็ทําให้ต้องเหมือนกับอยู่กับตัวอยู่กับตัวเองคนเดียวเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ฟุ้งซ่านกะระสับกระสายโบราณเขาว่าเนี่ยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิ ด, คดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจา เราเห็นหรือเปล si right? hey, ่าว่าพอเราอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นมามันทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดที่เตลิดเปิดเปิงคิดเรื่อยลาดนะไอ้ความคิดเรื่อยาดนี่แหละที่มันเป็นตัวการทำให้เรามีความ รู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาคนเราที่ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ก็เพราะความคิดนี้แหละและที่มันกระสับกระส่ายมันฟุง้งที่มันฟุ้งซ่านคิดเร่ด้วยเปลือยเร่่า น, นี่เพราะว่าเราไม่รู้ใจตัวเองเมื่อไม่รู้ใจตัวเองก็เลยความคิดมันก็เลยกระเจิงกระเจิง แต่เราเพียงแต่รู้ใจตัวเองรู้ทันความคิดมันก็หยุดปรุงแต่งสังเกตเมอพอเราพอเรารู้ว่าเผลอคิดไปความคิดมันหยุดมันหยุดปรุงมันก็ค่อยมันค่อยเลือนหายไปความคิดที่เคยยาวคิดหลายเรื่องเจ็ดแปดเรื่องติดต่อกันก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลง เห็นถ้าเรารู้ใจตัวเองเนี่ยนะให้ความคิดเที่ยดนาพาความทุกข์มาสู่จิตใจมันก็จะเล่น ง, งานเราได้ลําบากนะการรู้ใจตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากและสิ่งที่ทําให้เรารู้ใจตัวเองได้ก็คือสติเมื่อมีสติก็จะเห็นความคิดที่ปรุงแต่ง พอเห็นแล้วก็วางได้พอเห็นแล้วก็หยุดปรุงแต่ใหม่ๆมันก็ยังไม่ยอมหยุดง่ายๆนะมันเหมือนกับรถที่แล่นเร็วแล่นเร็วมากพอเราเราแตะเบรกที่แลมก็ไม่หยุดหรอกแต่มันก็สะดุดมันก็ชะลอต้องแตะหลายๆครั้งสตินี่มันก็จะว่าเปลี่ยนมันกับเบรกก็คงไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยว จะชวนให้เขาใจว่าหมายถึงการห้ามความคิดแต่สติมันเพียงแค่รู้สติมันทำให้ความคิดสะดุดเพราะว่าในขณะที่เราคิดคนเราคิดเนี่ยมันคิดเป็นขณะนะขณะหนึ่งขณะสองขณะสมคิดเป็นขณะจิตมันนี่จิตมันทำงานอย่างนั้นเป็นขณะขณะขณะเสร็จแล้วในขณะที่จะคิดต่อลำดับถัดไปมันเกิดสติระลึกได้ขึ้นมาความคิดนั้นก็สะดุด แต่ว่าสติที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ขนาดอาจจะเกิดสักขณะดสองขณะแล้วมันก็หายไปไอ้ความคิดปรุงแต่งก็เลยต่อเชื่อมต่อกันได้คิดเชื่อมต่อเป็นเรื่องเดียวกันได้นะเหมือนกับตัวการ์ตูนที่มัน <c oughs> เราดูว่ามันเป็นการ์ตูนมันวิ่งได้แต่ที่จริงมันเป็นภาพหลายๆภาพมาต่อๆกัน ภาพที่ ต, ต่อต่อกันพราะมต่อกันอย่างเร็วมากก็เหมือนกับว่าเป็นการ์ตูนที่มันวิ่งได้แต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นแค่มันประกอบด้วยภาพหลายๆภาพความคิดของเราที่มันดูเหมือนว่าต่อเนื่องกันที่จริงก็คือขณะขณะขณะที่มันต่อกันจนดูเหมือนก็ว่าคิดเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสายแต่ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันสติก็จะมามาขั้นกลาง ลำดับจิตขณะที่แล้วยังคิดเรื่องโน้อนอยู่เสร็จแล้วสติเกิดขึ้นมาขณะสองขณะ3ามขณะก็ทําให้อีความคิดเดิมความคิดปรุงแต่งมันสะดุดไปแต่เนื่องจากสติไม่เข้มแข็งไม่ต่อเนื่องก็เลยก็เกิดขึ้นใหม่ในในลําดับหรือในขณะถัดไป เหมือนกับไฟที่กําลังลุกไหม้แล้วเราฉีดน้ําไปแต่เนื่องจากไฟมันแรงน้ํามันน้อยตอนที่ฉีดไปไฟมันก็วูบหายไปชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วพอน้ําพอน้ําหมดหรือหยุดฉีดมันก็ฮือขึ้นมาใหม่แต่ว่าพอฮือขึ้นมาใหม่ก็อาจจะรุนแรงน้อยกว่าเมื่อสักครูน่นี้สติของคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ ม, มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอทําไมเรารู้ เรามีสติรู้ตัวแต่ทำไมมันไม่หยุดให้ความฟุ้งซ่านทาไมมันไม่หยุดก็เพราะว่าสติเรายังไม่แข็งแรงไม่ต่อเนื่องมันเหมือนกับ น, น้ำน้ำเย็นที่มันมันมันน้อยอะนะไฟมันก็เลยยังต่อเนื่องแต่ทำไปฉีดบ่อยๆฉีดบ่อย ๆ, อยๆมันก็ค่อยน้ำไฟก็ค่อย <ไป S 1> ค่อยลดลงลดลงฉีดต่อฉีดฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆไฟที่แรงก็ค่อย ซาลงซาลงจนดับได้ฉั้นใหม่ๆก็ต้องมีสติเกิดขึ้นหลายหลายช่วงหลายขนาดนะแต่ถ้าทำยางนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดสติก็จะเข้มแข็งและต่อเนื่องพอฟุ้งขึ้นมาแล้วรู้ปุ๊บมันก็วางปรับไดนะ้แต่ถ้ายังยังวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มันต้องฝึกบ่อยๆอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการที่เรารู้ใจรู้ใจตัวเอง เ, เมื่อรู้ใจตัวเองไอ้ความที่จะคิดปรุงแต่งไปอดีตอนาคตก็ลดนกลดลงการที่จะคิดเอาเองก็จะลดลงหรือถูกทักทวงที่จะคิดในแง่ลบแง่ร้า ย, ายมันก็ถูกทักทวง ไม่แล่นไปตามความเคยชินเดิมนะัน่นนี่แหละก็จะเป็นการทำให้ให้ความทุกข์ในจิตใจเราลดลงเราก็จะรู้เท่าทันความคิดแล้วก็สามารถที่จะคิดไปในแนวทางใหม่ได้คิดในทางที่อยู่กับปัจจุบันคิดไปในทางที่เป็นบวกนะไม่คิดเอาเองนะรู้จักไต่ตรองอย่างรอบคอบ ทั้งหมดนี้มันเริ่มจากการที่เรามีสตินะรู้ทันความคิดหรือรู้ใจตัวเองนั่นเองเอก็พูดคำแค่นี้าคานี้